ขอความสุขความเจริญจุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนาเสนอพระสูตรในสังยุตติกายสืบต่อกันมาโดยลำดับอย่างที่บอกท่านทั้งหลายไปว่าพระสูตรในสังยุตติกายนั้นข้อความไม่ยาวแต่ว่า ค่อนข้างยากเพราะาเป็นคำถามของเทวดาที่มากราบถุนถามพระพุทธเจ้าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของระบบความเชื่อถือที่มีอยู่ในยุคสมัยตรงนั้นก็เป็นการเสนอขึ้นในลักษณะเทียบเทียง วความเห็นของท่านในกรณีเหล่านี้พระเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าทรงแสดงไว้อย่างไนเพราะนัานทำให้เราเห็นว่าข้อความแต่ละตอนบางช่วงมันจะยากเช่นพระสูตรแรกโอคาตระนสูตรเป็นการพูดถึงการข้ามโอคะซึ่งหมายความว่า บรรลุมรรคผลนิพพานมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ปฏิบัติยังไงจึงสามารถข้ามโอชาได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาพูดง่ายๆว่าทำดีทั้งหลายเนี่ยจะทำดีมากหรือดีน้อยก็ตามมันเป็นการลดลงของกิเลส เป็นการเพิ่มขึ้นของธรรมะในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มขึ้นของความสุขแล้วก็ลดลงของความทุกข์อันนี้คือสูตรเลยมาว่วามาถ้าไม่ออกมาในลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะรเพราะว่าในทางดาเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ย มันก็สืบเนื่องมาจากความเห็นของมนุษย์ความเห็นของมนุษย์ก็มาจากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของมนุษย์โลกเราเป็นโลกของสัมผัสความเห็นเมื่อเราปรากว่าจะจับพิษทางได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะในช่วงแรกเราก็อาศัยความเชื่อเราบุคคลที่ควรเชื่อ เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่กระชิดเรื่องมางเรื่องเนี่ยคือเราต้องเชื่อตลอดไปเพราะทำยังไงเราก็พิสูจน์ไม่ได้เช่นปการที่ท่านผู้นี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปุญ่าตายายเป็นวงานาศาคณะญาติเนี่ยมันเกิดจากการบอกเล่าของพ่อแม่ ซึ่งเรื่องต้นจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพ่อแม่เราจริงหรือไม่แต่เราต้องการจะพิสูจน์เราก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะลักษณะเราเนี้จึงต้องใช้ความเชื่อแล้วเราเห็นอย่างหนึ่งว่าองค์ธรรมทั้งหลายที่เราเรียนมามันจะใช้สธานนาหรือใช้ปัญญา น, นําหรือใช้ความเพียร น, นําหรือใช้สตินําแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นก็เป็น เขาเรียกอัญญบมัญญะปัจจัยของกันและกันคือเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ตัดรอนสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนหายจางไปคลายไปบันเทาไปจนถึงกับหมดสิ้นไปเพรา ะ, ะสูตรเหล่านี้ที่จริงเราก็จะเห็นได้อย่างเด่ว่า ก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของทุกสมมุไทยนิโรธมักตลอดนะฮะคือไปอื่นไม่ได้เพราะมันไม่มีให้ไปแต่ว่าจุดที่นำมันเน้นนี่มันเป็นเรื่องอะไรอันันเองอาตมากำลังเรียบเรียนแต่ว่าตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับเป็นหลักวิชาการทางพุทธศาสนา ในวัวเขาว่าการบริหารการจัดการองค์กรของพระพุทธศาสนาพอเราเริ่มไปศึกษาบทวิเคราะห์ทางวิชาการจากข้างนอกก็ที่จริงก็อ่านหน้าเดียวนะฮะคืออ่านเฉพาะนิยามวิชาการทางโลกส่วนใหญ่เนี่ยมาไม่เคยอ่านจบพราจะอ่านกรอบเพื่ อ, อนิยามเขา แล้วเราขยายความจากนิยามตรงนั้นและไปสู่หลักธรรมในพระไตรปิฎกมันก็เป็นระบบความเชื่อของเราว่าความรู้ทั้งหลายของชาวโลกเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เพราเป็นความรู้ที่จากเกิดขึ้นมาจากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็วัดผลกันเองในพวกที่รู้ไม่จริงด้วยกัน ผ่านขั้นตอนมาเป็นปัญญาในชั้นต่างๆเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมพราะความรู้ในความหมายทำพุทธศาสนานั้นจะต้องลดกิเลสเพิ่มธรรมะอย่างที่บอกไว้พอเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรขึ้นในบ้านในเมืองเราก็สงสัยอะไอ้คนเรียนมาขนาดนี้ทำไมคิดอย่างนี้ คือความสำนึกในด้านคุณธรรมเนี่ยมันกลายเป็นการพิสูจน์สภาพจิตของคนจากที่พระเจ้าทรงแสดงว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยต้องการจิตที่กราหานเข้มแข็งคือไม่เลื่อนไหลหลงไหลหรือหลับไหลไปตามกระแสที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มของใครก็ตาม แต่จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบพินิพิจารณาเทียบเคียงแล้วก็ดูที่จิตสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นภายในจิตแล้วก็คิดจากจิตตัวเองโดยอาศัยประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตแล้วนามาใช้ให้สดครองกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ปรด็นยนนั้นเราจะหาข้อยุติได้พระสูตรที่จะกล่าวต่อไปนั้นเป็นพระสูตรใหญ่มากก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาเนี้ยพวกฝรั่งนิยมสวดกันมาโดยเฉพาะชาวแคนาดาซึ่งเข้าไปศึกษาครูสอนสมาธิโดยท่านจะากุณพระเทพ รู้สึกจะวิทยาจาร์เนี่ยนะฮะวัดธรรมงนคลเออท่านไปเผยแผ่แต่ไม่ท่านเรียกว่าท่านไม่เรียกวาเผยแผ่ศาสนาท่านเรียกว่าเป็นครูสอนสมาธิเออใครนับถือศาสนาอะไรก็ไม่ว่ากันก็มาฝึกสมาธิด้วยกัน ก่อดก็ฟังฝรั่งพวกนียเขาสวดมหาสมัยยศูนยแต่โดยความเป็นจริงแล้วมหาสมัยยศูนยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นชื่ออง์เทวดาแต่ว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่น่าทําความเข้าใจคือเป็นการประชุมขนาดใหญ่ในยุคพุทธกาลคือครั้งเดียวพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวจะมีการประชุมในลักษณะนี้เพียงครั้งเดียว คล้ายๆกับจารุรงมหาสันนิบาตที่ทรงแสดงวาทปฏิโมกหรือมันก็มีครั้งเดียวและเราก็ถือว่าเป็นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาเวลานำมาเผยแพร่นั้นบางทีเราจะเห็นว่าแตกต่างกันรือบางแห่งจะขึ้นที่สัพพะปะปะสะกระนงังบางแห่งจะขึ้นที่คันตีประบังตะโปติติฆาแต่ว่าองค์ทำแล้วเป็นอย่างเดียวกัน เป็นการแสดงถึงมรรคกับนิโรธซึ่งก็เป็นเรื่องอริดชสัตย์นั่นเองมาสมัยสูตรที่จริงเป็นพระสูตรที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สงครามแย่งน้ำระหว่างพระญาติทั้งสองของพระพุทธเจ้าผิดพวกสั ก, กยะและโกริยะ ถาเรามีอาัยน้ำจากแม่น้ำโรหินีซึ่งขั้นกลางระหว่างเมืองทั้งสองระหว่างแคว้นระหว่างนาครเทวตหะกับกบิลพัดปีหนึ่งมันผลแรงน้ำมันน้อยหรือถ้าจะสูบน้ำขึ้นสู่ฝั่งทั้งสองฝั่งน้ำจะไม่พอต่างคนต่างก็แสดงความเหียแก่ตัวออกมา น, นี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมนุษย์คือมนุษย์พอถึงจุดหนึ่งจะนึกถึงตัวเองก่อนคนอื่นเพราะว่าลึกๆมันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์ยังใช้สัญชาตญาณอยู่เยอะเป็นสัญชาตญาณของการระแวงภัยความกลัวต้องการเอาตัวรอดจากวิกฤตการณ์ต่างๆอย่าเราดูประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย โดยเฉพะสองคราวที่กรุงแตกเนี่ยคือเรานึกถึงเมื่อไหร่และเราสลดใจมานนั้นว่าคนอยู่กันตั้งมากมายนะครับล่อยห้คาคาศึกมาทำลายล้างประเทศชาติบ้านเมืองได้เพราะอะไรคนส่วนหนึ่งเห็นแก่ตัวมองแต่ความปลอดภัยของตัวเองแต่ความคิดถึงชาติบ้านเมืองเนี่ยมันตำ่ำ ไม่มีพลังพอที่จะห้ามกั้นจิตใจของคนเหล่านั้นไม่เห็นแก่ตัวได้ผลตรง น, นี้ที่จริงถ้าเรามองในแง่ของธรรมะก็คือธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละพอผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีแม่แต่สามีพรรัญญาไม่มีแม้แต่ญาติไม่มีผู้บังคับบัญชาพูดได้บังคับบัญชา บริเนี้ถ้าเรามาตฐานทางศีลธรรมเข้าไปจับพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมทุกคนจะสังเกตมีลักษณะสั่นไหวระหว่างความคิดแบบสัตว์กับความคิดแบบมนุษย์เพราะมาจากพื้นฐานเดียวกันคือการกินนอนกลัวหรือดวงพ่อพุทธทาสชอบพ่อพูดว่าการกินเกียรติก็คือก น, นั่นแหละ แต่ถ้าเราตั้งปัญหาถามให้ลึกลงไปว่าทาไมจึงเกิดปัญหาเรื่องกามเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องกลัวก็บอกเพราะไม่รู้เปัญหาวิชาจึงกลายเป็นรากเง่าวของทุกอย่างในโลกนี้ที่เป็นปนัญหาหรือความไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้ทุกอย่างและความกลัวเองก็มาจากความไม่รู้ กามเองก็มาจากความไม่รู้กินเองก็มาจากความไม่รู้ถ้ากินอย่างเป็นธาตุของความอยากแล้วแม้แต่นอนเนี่ยบางทีมันก็เกิดมาจากความไม่รู้มานอนอะไรกันมากมายกายกองที่โบราณถ้าพูดว่า น, นอนเอาบ้านเอาเมืองนอนมากเกิดไปเพราะเราจะเห็นว่าอาตมาใดที่มนุษย์ยังไม่เข้าถึงความรู้ที่แท้จริง เราก็ต้องมองคนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ไม่ต้องอดทนหรอกคือก็เฉยๆไปแต่จะอดทนเรียกบอกอดทนก็ได้แตพฤติกรรมทั้งหลายที่แสดงความเห็นเกล็ดตัวความยิ่งใหญ่ความมหังกาลของคนบางพวกเนี่ยคือเรา ม, มองแล้วเราก็สงสารเราก็สลดเราก็เสียใจ จะได้การเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาผ่านการเวลามามากแล้วมันนั่งน่าจะสร้างสิ่งดีงามไว้เป็นตราประดับโลกแต่ก็มาสร้างปัญหาขึ้นในบ้านในเมืองเป็นเรื่องที่น่สาสะใภ้และเราจะเห็นว่าเบเนี้ย ม, มันกระจายไปในส่วนต่างๆของโลกมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความเห็นแก่ตัว พอเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่จะไม่ค่อยนึกถึงเหตุถึงผลแต่ว่าแสดงแบบสัญชาตญาณออกมาเปนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับเลยบานอนเรือจะลามปามไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ล้ฝ่าย็เห็นแก่ตัวถ้าเราลดความเห็นแก่ตัวลงไปได้ นึกถึงว่าเวลามีปัญหารุนแรงในสังคมเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนแก่สมนาชีพราม์คนชราเด็กแล้วก็ผู้หญิงพวนี้จะกระทบแรงตลอดแล้วก็ตายมากกว่าเพื่อนตลอดแต่สังคมเองไม่เคยใช้บทเรียนตรงนี้เพราะการแยกน้ำในแม่น้ำรอยหนีลเราจะระบบการคิดเนี่ยว่ามันไม่มีระบบการคิด เอาชีวิตของกษัตริย์ไปแลกไปต่อสู้เพื่อแย่งน้ำมันเป็อะไรตรงนี้ถ้ามีการปร็นิปนอมีการประสานกันมันก็เฉลี่ยกันแต่ละควายไม่จำเป็นจะต้องทำนาทั้งร้อยเปอร์เซนต์ตอนอย่างอื่นก็จะบ้างเพื่อทุกลักยจะมันอยู่ได้ แต่ถ้าเราดูลักษณะสังคมเราไอ้ลองสังเกตว่าทำนาสามครั้งในบางปีเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้วเราก็มีกรณีพิพาทเรื่องการแย่งน้ำเพื่อจะประสเข้าไปสูปน่านาของตัวเองแล้วบางครั้งางข่าวคนก็ไม่ได้คิดนะฮะว่าลงทุนเยอะมากแต่ว่าข้าวที่ได้มามันก็ไม่ได้คุ้มอะไร ปัญนาตรงนี้จึงกลายเป็นปนัญหาใหญ่มันเป็นบทเรียนที่ซ้ำซากมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแต่เราก็มองเป็นเชิงทีบคลาๆไม่เกี่ยวอะไรกันเราอันนี้คือลักษณะที่น่าคิดตอนในที่สุดเนี่ยมันเริ่มจากกา ร, ราด่ากันปรกรมกรต่างๆ ที่ทำงานเนี่ยมันเริ่มด่ากันแล้วด่าเลยก็ก็ลามปามนะครพลาแล้วด่าแล้วลามปามลามปาไมไปถึงโคตรง่าสกุลประโยคที่แทงใจพวกสักยะและโกริยะมากเนี่ยคือพูดเมื่อไหร่แล้วก็ก็โกรธเพื่นนั้นเนี่ยคือคําว่าพวกกินผลกระเบากับพวกเอากันเองพวกศักยะ ปฐมบงเนี่เกิดขึ้นจากการแต่งงานระหว่างพี่กับน้องพี่ชายแต่งงานกับน้องสาวแล้วเขาก็แต่งกันมาในเครือญาติจนถึงปัจจุบันเนี่ยพุทธศักยะยังแต่งงานกันในเครือญาติเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแล้วพอด่ามันก็มีการอธิบายแบบล้ำป่าแต่นในขณะเดียวกันพวกเทวทะเองก็มีจุดอ่อน เพราะว่าพระเจ้ารามกับประเทศถากินีของราชวงศ์สกยะเนี่ยเป็นโรคเรือนด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ในป่าด้วยกันพระเจ้ารามซึ่งอดีตเป็นกษัตริย์ที่ครองพระราชดิีเห็นว่าตัวเองไม่โรคเรือนก็สละราชสมบัติให้แก่พระราชาโอรสและพระองค์เองก็มาอยู่ในป่า ก็กินสะเละไปปะไปเรื่อยๆมันเจอผลกระเบาเข้าและปรากฏว่าอาการของโรคเรือนเนี่มันเริ่มหายการก็สเสวยจนหายต่อมาไปพบ ก, กับพระเทศ ฐ, ฐาภกคินีข้าวก็รู้ความเป็นมาของกันหลายกันแล้วก็แนะนำให้ไปสเสวยผลกระเบากระเบาก็คือกลย่าเนี่ยแล้ผลกระเ บ, าบ่าก็วงของกระเบาวงของผลกระเบ่า คนในโบราณเนี่ยมันจะตั้งสกุลวง์ของตัวเองศึกษาจากธรรมชาติศึกษาจากภูเขาศึกษาจากแม่น้ำศึกษาจากเทวดาตลอดถึงต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยพันธแม่ทาราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าเองที่เรียกว่าโคตรมะโคตรมะโคดเนี่ยก็คือเชื้อสายพระอาทิตย์เราเรียกเป็นสันสกฤตว่าสุริยวงศ์คือวง์ขอ ง, ง, ของพระอาทิตย์ แลก็มีผู้หนึ่งก็เป็นจันทราบงคือเป็นบงของพระจันทร์แล้วลองสังเกตว่าความคิดตรงนี้มันมันจะไหลวนอยู่ในกระแสของสังคมเอเชียจนกลายเป็นอะไรต่อไม่อะไรมากมายกลายกลยกองนั้นก็คือสุริยันจันทราเป็นเจ้าหญิงก็เจ้าชายบ้างเป็นเรื่องบาดาบบ้างกระบี่บ้างราชวงศ์บ้างอะไรต่ไรเนี่ยสุริยันจันทรา แล้วก็อยู่กันมาทุกวันเนี่ยนะก็ยังอยู่สียันจันทายอยู่นั่นแหละตรงนั้ น, อ น, น, นพอทะเลาะ ก, กันไปตั้งลำกระลำปามไปเรื่อยมันไปกระทบแต่งใจดงของราชวงศ์ทั้งสองในสุดก็ลืมคิดว่าตัวเองไม่ได้เองคนอื่นเขาด่ากันแล้วก็เสียมที่จะต่อสู้กันเพื่อพิสูจน์ความเป็น ผลกระเบาวความเป็นอะไรของท่านเนี่ยก็พระเจ้าเสด็จให้กำมังกำลังแก่รบนะฮะมังยกทัพมาประชิดระหว่างริมแม่น้ำอะไรกันพรเจ้าเสด็จปรากฏพระองค์ประศัตร์เหล่านั้นก็พทอทอดพระเนตรเห็นก็ตกประทยเพราะจะลืมว่าพระเจ้าเป็นพระญาติผู้ใหญ่ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะก็หมายความมาท่านเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องในแง่ของความเป็นราชวงศ์ก็พระเจ้าก็นเหนือกว่าในแง่ของความเป็นศาสนากับศาสนิกพระเจ้าก็เป็นศาสดาของคนหล่อนเพราะทุกคนก็วางอาวุธแล้วก็มาเข้าเฝ่าพระเจ้ารับสั่ง ว่ากำลังทำอะไรกันมาบ่พิษแต่เหล่านั้นบอกว่าเตรียมจะทำสทงครามกันตามว่าพระเหตุอะไรแล้วก็เล่าไปฟังนะครับทูนึงฟังว่าเพราะแย่งน้ำในแม่น้ำโร ย, โรยนีกันแล้วก็เล่าไปอะไรไปพระเจ้าก็รับสั่งหัมุ่งประเด็นความคิด คือแทนที่จะคิดด้วยความเครียดแค้นเนี่ยมันคุณนลงใช้เหตุผลดีคุณใช้สติปัญญาโดยเห็นว่ามันเกิดจากโทสะและโมหะแต่โทสะเนี่ยมันเกิดจากโมหะและ้วในขณะเดียวกันมีโลภะอยู่ที่น้ำมีโทสะอยู่ที่ตัวคนแล้วมีโมหะที่การใช้เหตุผลต้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือว่าต้องเพิ่มปัญญาให้บัญญาคือคิด ถ้าท่านฟังลองสังเกตรถตรงนี้มันก็เหมือนกับที่ส่งใช้กับองค์ุลิมนันเหมือนกับที่พระเวชนนท์ส่งใช้กับผนังมัตรีเพื่อหักมุมเบี่ยงเบนประเด็นออกไปให้เริ่มคิดกระลับสังถามว่ากษัตริย์กับน้ํำนี่อะไรมีค่ามากกว่ากันตอนนั้นก็กรับทูลว่ากษัตริย์มีค่ามากน้ํานมีค่าน้อย พระารับ ส, สั่งวา่าเป็นการสุ่มขวดไมที่จะเอากระสัซึ่งมีค่ามากมาแลกกับน้ำซึ่งมีค่าน้อยเนี่ยระบบความคิดตรงนี้นะถ้าเราเอามาใช้ในปฏิบัติเอามานั่งคุยกันและถ้าเรามุ่งดีหวังดีหวังเจริญต่อประเทศชาติจริงๆคนเราต้องลดอัตาราตัวตนลงไป เราไม่กี่วันเราจะตายแต่ชาติบรรนินทรงต้องอยู่ลูกหลานต้องอยู่ความมั่นคงในด้านาต่างๆ ต, ต้องเกิดขึ้นเพราะถ้ามาอย่างนั้นจะนำพาชาติสู่วิกฤตทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมในการเมืองแล้วก็อาจปัญหาทางศีลธรรมนี่นนก็จะติดตามมาเมื่อก่อนมีคนมา ตลุสิตเขามาชวนไปออกอากาศในรายการที่เกี่ยวกับพระทางจังหวัดพัทลุงที่หนังสือพิมอมาเผยแพร่เลยก็บอกเขาบอกว่ามันไม่มีข้อมูลไปพูดไม่ได้แร้วแต่เรารู้ว่าเป็นเรื่องชอบกุลรายการอันนี้มันเคยเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่มันเป็นการสร้างภาพในแนวของพวกอินเทอร์เน็ตแต่มันสร้างภาพตัดต่อภาพ เพราะอะไรเพราะว่าปรากฏว่าที่แขนของพระในในรูปเนี่ยมันมีรอยสักแต่พระองค์นี้ไม่มีรอยสักเลยก็แสดงจะมีการตัดต่ออะไรกันเยีแขนก็ไม่ใช่เอาขาขาก็ไม่ใช่อีกเอาหมามา้าอย่างนั้นก็ไม่มีอีกมันโหดร้ายมันรุนแรงมันเลวร้ายมากสังคมเพียงว่าเพราะว่าตัวเองบุกลุกที่วัด แล้วก็สมพานท่านก็รักษาสิทธิของท่านนะท่านเป็นเจ้าอาธิการเป็นเจ้าพนัก ง, งานทางกฎหมายจะต้องรักษาสม บ, บัติของวัดเอาไว้ก็ให้เจ้าหน้าที่ไห้ น, า, นารือฟ้องศาลแล้วก็แพ้แพ้ความแพ้ความทั้งสามศาลนะฮะเหตุสวบเหตุการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะแต่แน่นอนมันก็จับมือใครดลบไม่ได้แต่เราเห็นอย่างหนึ่ง ว่ามนุษย์พอต้องการจะคุ้มครองตัวเองหรือปกป้องตัวเองจะไม่คำนึงถึงวิธีการเพราะการคิดอย่างนี้ที่พระเจ้าเสนอคิดคือคิดถึงวิธีการเมื่อไม่มีทางออกอย่างอื่นทํำไมคุณจะออกทางนี้แต่ถ้าคุณออกทางนี้กระสับทั้งสองข่ายก็ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจํำนวนมากแล้วจะเป็นความแตแ ก, กแยกร้าวฉานที่นาน แล้วกลายเป็นไฟพยาบาทที่เผาลุนใจของค น, นสองฝ่ายอาจจะรบ ก, กันไปรุนรุนไปแล้วก็กษัตริย์เหล่านั้นขยอบจํานวนบอกว่ากษัตริย์มีค่ามากกว่าน้ำํำเราเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่จะทําสงครามกันเพราะแยกน้ําบางคนต่างก็มาชื่นชมว่าถ้าพระเจ้าไม่เสด็จวันนี้เลือดต้องหนองแผ่นดิน แล้วมันได้อะไรมันไม่ได้เลยเลยคือเสียเพิ่มขึ้นน้ำมาก็น้ําใหม่เปน้นําโรยนีก็ไม่เพิ่มขึ้นแล้วทั้งสองฝ่ายเนะี่ยยังต้องการใช้น้ําอยู่ถึงแม้จะชนะก็เถอะคือเขาก็ใช้น้ําในฝ่ายคนตัวเขา้าเขาเองมีสิทธิ์อะไรมาห้ามในทสุดมันก็กลายเปสงครามยิ่ยเสือซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเพาะทำยังไงว่ะสังคมจะใช้เรื่องเหล่าเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องปรสูตหิหรอกอะไรก็ได้ ที่เป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในข่าวสารหนังสือพิมพ์ทำไมมามองถึงมิติของธรรมะว่าอาการเหล่านี้มันมันเป็นอาการของอะไรมันอะไรเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลงังทำไมบทความในหน้านังสือพิมพ์เนี่ยมีความชัดเจนเลยแบง่งฝ่ายรบเลยแล้วก็ฝ่ายหนึ่งที่เกิียงสั่งรัฐบาลไม่เคยดีเลยรัฐบาลไม่เคยดีเลย แต่ถ้าเรามองเนี่ยค่ะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีที่รับการยกย่องในขณะที่อยู่ในตําแหนง่งเพราะเคยเป็นแล้วไม่ดีทุกคนแม้แต่คุณเปลนที่บัญชีกันอยู่เนี้ยตอนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถูกด่าได้มีใบบับงอะไรแต่ไรบงังเขย่าเก้าอี้ทันเรื่อยเลยมีการปฏิวัติมีการยุบสภาเราก็รู้เห็นกันอยู่นั่นคือธรรมชาตินึ แต่ไมชาช่แต่หนึ่งของมนุษย์เพราะอะไรเพราะอหังการมะมังการมีความตัวตนที่เคืองแล้วก็ให้ความเท่ากันแก่ของเราคือถูกต้องเพราะเราจะเห็นว่าเวลาุทธเจ้ารับสั่งเนี่ยมันไม่ใช่กษัตริย์โกริยาหรือสักยะาแต่ว่าสถาบันกษัตริย์ ตองมีค่ามากกว่านะ้ำในสุดก็ทรงเปล่งเป็นพระพุทธฐานในการแสดงถึงความจริงในโลกว่าคนที่กำลังทะเลาะกำมังไม้มั่นจะเข็นฆ่าจะทำลายล้างกันอยู่เนี่ยเพระองค์ไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครในลักษณะนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรตนนี้จากการเสด็จคราวนี้ ระยะมันกูคิดไปไกลว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ยุติลงเนี่ยปัญหารุนแรงจะเกิดต่อเนื่องยาวนานสมมติว่าประเทศไทยเกิดหลาดจนเพราะความขัดแยง้งทางการเมืองแต่ยังหาทางออกไม่ค่อยได้แล้วเสนอทางออกกันเพลียชอบกคนไม่ดูกฎหมายกันเลยดอกเตอร์ระดับจบมาทางนิติศาสตร์ได้ทำไปไม่ดูกฎหมายเลย ขอให้ฉันได้พูดแสดงความเห็นขอให้ทำลายฝ่ายที่ฉันเกลียดก็ได้ครับท่านจะเห็ว่ามันจากไปกระทบแรงแล้วก็อาจจะดึงชาติเอไม่ใช่ดึงนะฮะอยู่กับที่แต่ว่าเพื่อนอื่นแสงข้างหน้าไปเพราะพระเจ้องค์สัจจะถ้าทะเลาะ ก, กันเองเนี่ยกับกุริยะเขาทะเลาะ ก, กันเองเก็จะดึงก็ถูกคุบฮะจากแคว้นกุศล เพระราชาตัวเองก็ก็ไม่ได้ใหญ่ประเทศไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่มันอยู่ในแคว้นการราากักขาของแคว้นกุศลในซ้าไปแล้วก็พอดีทังกลับเนือกับตัวได้ก็ด้วยความสำนึกคุมตัวนี้มันทําให้มีพระราชกุมารจากโกริยะออกบวชสองห้าสิบท่านราชมาราชกุมารจากสักยะออกบวชอีก2องยหสท่านก็รวมเป็นห้าร้อย ทีนี้ตัวนี้ท่านผู้ฟังจะต้องมองกลับต้องมองกลับไปตอนที่มีการประสูุมแล้วเดินด้วยประบาทที่เจ็ดเก้าตรงนี้เป็นบุตรยืนยันข้อหนึ่งคือคนสมัยก่อนเนี่ยราชวงศ์สกยากรยะเนี่ยเขาดํารงมั่นคงในสัจจะมากหมายความว่าให้ปฏิญาณให้สัจจะวาจาสัจจะปฏิญาณแม้แต่สัตยาธิฐานเนี่ยอะไรตั้งไว้แล้ว ฌนตายเลยไม่ยอมทำลายสัจจะพระเจ้าเราเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าก่อนที่จะสัสรุเนี่ยประทับนั่งแบบจตุรงคมาประธาคือใต้เป็นตายพู้แงว่าใต้เป็นตายเลยทรงติฐ า, านพระไทยแบบสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเหือดแห้งไปอย่างเหลือแต่นางเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้สัตรุ ความเพียรพยายามครบลงแล้วก็จะไม่เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะหมายความว่าก็มีสองอย่างคือจะทรู้หรือตายไม่มีประตูที่สามให้ออกเลยเพราะราชบรมรถนี้เขาก็มีอย่างเงี้ยมันก็สืบเลือกมาจากตอนที่เจ้าชายธิตาถะประสูติแล้วเดินด้วยประบาทเจ็ดเก้าพระญาติวงศที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้น แล้วประกอบกับอันสิตดาบทประกาศลัลทธิวินดาบทมันทํานายประกอบกับพราหมณทัแปดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโกนธัญญาเขาทำได้แล้วก็ในสุดมันก็พิสูจน์นะฮะพระพุทธเจ้าเสด็จออกประวดแล้วก็สัตรุแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าหลายปีแล้วนะฮะ พ, พระนเรศยา ต, ต้องรักษาสัจจะเดิมที่ให้ไว้แล้วในสุดก็ออกบวด เป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษามากคือพระเจ้านำท่านเหล่านี้เข้าสู่ป่ามาวันแล้วก็รับสั่งให้กรรมฐานคนละข้อคนละข้อคนละข้อนะกรรมฐานที่พระพุทธโกศาจารย์รวบรวมไว้เนี่ยมีสี่สิบกรรมฐานกรรมฐานมีสี่สิบอารมณ์มิปัสสนาถ้เกาะกลุ่มก็มีอยู่หกถ้าขยายก็มีอยู่เจ็ดสิบกว่าแต่สรุปแล้วก็คือนามรุป พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานได้ทั้งห้าร้อยข้อแสดงว่ามีอุบายวิธีในกรรมฐานข้อเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามองคนแล้วก็มองอารมณ์กรรมฐานวางกรรมฐานนี้สอดรับกับคนท่านเหล่านั้นได้กราบทูลลาไปเจริญกรรมฐานในป่าแล้วก็ในที่สุดก็เมื่ อ, องค์สุดท้ายได้รับให้กรรมฐานไป องที่หนึ่งก็บรรลุมรับผลเป็นพรานกลับมาต้องการจะกราบทูลถามตัวกราบทูลรายงานถึงผลการปฏิบัติ่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทันได้พูดอะองที่สองมาองที่สามองที่4ีมาก็เลยทั้งหมดไม่ได้พูดพอครบห้าร้อยเนี่ยปรากฏการมสาสจัย์ก็เกิดเป็นการชุมนุมของผวยเทพทั้งหลายเป็นอันมาก เราพูดถึงว่าเป็นหมื่นโลกธาตุเป็นแสนโลกธาตุอะไรต่ออะไรประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่น่าศึกษาหมืงนกนคือหลายปีมาแล้วเนี่ยดรดักราดเอ็มเบิร์นเขาเคยบวชก็เคยเป็นทาหารในเวียดนามแล้วเขาก็เปิดศรัทธานในพุทธศาสนาแต่ก็ออกบวช ออปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ศึกษาค้นคว้าไปเชียบเคียงกับหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จบมาคือกัจจรวานวิทยาแล้วเขาทึ่งเขาอัศจรรย์ตอนในริสูตรเป็นอันมากที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็ตรงกับที่วิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าเพียงแต่ ว, ว่าพุทธศาสนาไม่เน้น ไมนในประเด็นเหล่านี้มันป่วยการคือเสียเวลาพูดไปเ้กาก็ด่าหาว่าพระโกหกแม้แต่พูดใ น, นโลกสวรรค์คณก็ยังด่าอยู่ทุวั์เนี่ยหาว่าวออเอาสวรรคม์มาล่อเอาดรกมาขู่ที่จริงในเรื่องเหล่านี้ในประไตรปิฎกมันมีเยอะพูดถึงระบบสุรยิยะจั ก, กรวาลต่างๆแล้วก็มีการอธิบายมีการให้รายละเอียด ตามปกติแล้วพระตถาจารย์ก็จะให้รายละเอียดเพราะว่าเวลาพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยเป็นการแสดงกับคนที่มีญาณอย่างรู้มันง่ายคือผู้ัดคนรู้รลยไม่ง่ายแต่ผู้ัดคนไม่รู้ลง ม, มายุ่งถุเตียเพราะั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องเหล่านี้เรื่องสัตาวาสเรื่องสัตวาตวาสเจ็ สัตว์วาเก้าวิญญาณสิทิจเจตึงกำหนดสี่คติห้าเรื่องนรกสวรรค์เรื่องยอะไรต่างๆถึงเทพบุตรเทพธิดาวิมานวัตถุเปตรตวัตถุจะเป็นการแสดงกับคนที่มีญาณอย่างรู้แล้วหรือแสดงกับเทวดาหรือแสดงกับพรหมหรือแสดงกับท่านที่มาเฝ้าแต่ว่าท่านก็ รู้อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงพระเจ้าจะทรงสแสดงในรูปของการย้อนอดีตของคนหล่นั้นเพราะปัจจุบันเนี่ยท่านเหนั้นรู้แล้วแต่เพราะเหตุอะไรเขาจึงเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันพระเจ้า ก, ก็จะทรงสแสดงเพราะเมื่อกลายเป็นเรียกงง่ายแต่ถ้าเรามาพูดสมัยนี้ ก็ถ้าเป็นนักวิจ า, ารณ์ที่รอบรู้เนี่ยเช่นสมมุติเราจะคุยเรื่องจักรวาลวิทยาเนี่ยก็หมายความว่าเธอต้องรู้เรื่องจักรวาลวิทยาและเธอต้องเคยดูกล้องดูดาวขนาดใหญ่มาอย่างน้อยเธอต้องศึกษาระดับระบบส่วนนี้มาแล้วก็สามารถที่จะสอบทานเทียบเขียงได้ว่าตรงกันแต่ในส่วนที่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงเพราะวิทยาศาสตร์อย่งเปไ็นเทคนิ พระเจ้าทรงแสดงถึงระบบสุรยิยะจักรวาลบางอยา่างมันเป็นอสงไขยจักรวาลเป็นแสนโกดจักรวาลเป็นอนันตจักรวาลคือมันมันตัวเลขเนี่ยไ ม, ไม่ไม่รู้จะนับยังไงอนันตะในปัญหาที่สิ้นสุดไม่ได้ อ, ส, อสังขยะเนี่ยคือนับไม่หมดไม่ไม่หวาดไม่ไหวแสนโกดก็แย่แล้วนะไม่รู้จะนับยังไงแสนโกดโกดมังก็แย่แล้วโกดนึงสิบล้าน อนน้แสนโกรธม่จะนับยังไงคือสรุปมันมากม า, กมายแล้วเกิดเน่ะเขาจะพูดยังไงพันเทวดาเราเนี้ยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มากันจากทิศ ต, ต่างๆแล้วก็พอดีก็มีพรมชั้นสุตตาวานที่ท่านบอกว่าเทวดาในในสิบโลกธาตุได้มาประชุมข้าวพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก พรมชั้นสุทาวาสี่องค์คือพรมสุทาวาสเ่เป็นพระนาคามีนะฮะท่านมีปัญหาในเรื่องอะไรทั้งหมดท่านแสดงประสบการณ์ตรงของท่านที่ท่านประสบมาด้วยตัวของท่านเองแล้วมากราบทูลทำกลางมหาสมาคมซึ่งมีเทวดามนุษย์ผิดนั้นมาก ป่าหมาวันก็รุงเรืองสว่างสวยท่านก็บอกว่าองค์แรกเป็่บอกว่าสมัยประชุมใหญ่ในป่านี้ได้มีแล้วตัวเทพมากหลายชุมนุมการพุทธเจ้าทั้งสี่มาร่วมประชุมทางธรรมด้วยเพื่อได้ชมพระอัปราชิตสง์ คือมูแห่งภิกษุผู้ไม่พ่แพ้อปิราชิตก็คือไม่พ่ายแพ้ฮนะอย่างปภิราชิตจริงๆแปลว่าแพ้นะฮะคือชาวบ้านไปวุว่นวายมากเกินไปก็เป็นเรื่องกองคนที่วิ่งแข่งขันมาราธอนแล้วก็ไปไม่รอดนะก็ออกตอนนั้นเองก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะวันก่อนก็นิมนต์ไปออกอากาศที่ ช่องห้าใเลยอาการบ้านบ้านที่ห้าเลยเนี่ยมันได้ที่ห้าก็ก่อนทีพูดเนี่ยเขาก็ถามเลยตอนนี้แล้วก็บอกกลบ่บให้ถามมาคุณเนี่ยจบการศึกษาอะไรมะอายุเท่าไหร่จบการศึกษาอะไรม า, า, ร า, ก า, รมาแกอธิบายแ ล, าแล้วถามว่าคุณรศศีท่าได้ปะแล้วสามไม่ได้ครบทุกข้อ บอพระเหล่านั้นคือคนเหมือนคุณเนี่ยแล้วศึกษามันน้อยกว่าคุณคุณได้ถึงเบียโตท่านบางรูปเนี่ยได้ดักรหกนั่นเองมาบวชแล้าท่านไปรักษสาสาศีนแบบเก้าขโจรคือพูดเดียวไปสอง้อยิบ็ข้อเลยซึ่งมันไม่ง่ายแม้แต่ห้าข้อเนี่ยมันไม่ง่ายยิ้สินแปดยิ้น ส, สายกากเราสังเกตเทวะรวรเอง รัตนาศีลเป็นศีลบูชดนะฮะแต่พอขึ้นข้อวิกาข้อที่หกเนี่ยเสียงมันหายไปเก้าสิบเอร์เซนตก้าสิบกว่าที่ทำไปนะยังเหลือก็พยายามมองดูว่ามีคนรับสาสีบูชดกี่คนก็ประมาณสัก5้าคนนั่นคือคนจริงอีที่เราแพ้เนี่ยไม่เห็นว่าอะไรใครแต่พอคนคนหนึ่งถึงเขาบวช แล้วก็แพ้แล้วก็ไปเหยียบเขาไปซ้ำเติมเขาแล้วก็ถามมาตอนที่ท่านทําดีเนี่ยคุณได้อะไรจากท่านและพอตอนท่านทำชั่วคุณก็ขอโดยสารทําชั่วด้วยคุณนับกันมาเกิ ด, ดหรือเปล่าล่ะก็เปล่าคุณไม่รู้จักเขาได้ซ้าไปเพราะพระองค์นั้นคือใครอยู่ที่ไหนเพียงแต่คราวซุบซิบผู้ลงนั้นเองแล้จริงหรือไม่จริงยังไม่รู้ได้ทำไป บ อ, อบตไปจับอบตมีสิทธ์อะไรไปจับคนเสพไม่ทุนนะถ้าจับคนเสพมิทุนก็จับคุณด้วยทีจับอบตด้วยอันนี้คือสังคมเนี่ยไม่ไม่รู้บทบาทกันตัวเองที่เสียหายมากก็คือว่าเวลาใครทำชั่วขอโดยสรนทำชั่วโดยทุกทีเวลาคนทําดีทําไมคุณไม่แอนโมทนาคุณไม่นุติตาแต่คุณกระบริษยา อยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะคนเรามาสู่โลกนี้โดยกรรมของตัวเองอยู่ในโลกนี้โดยกรรมของตัวเองจากโลกนี้ไปโดยกรรมของตัวเองเราแม้ ก, กันมาแม้นักกันอยู่มนักกันไปมันเจอกันระหว่างทางต่นนั้นเองเป็นเจอเพื่อจากไม่ใช่เจอเพื่ออยู่ตลอดไปสิ่งที่รับผิดชอบจริงๆคือกรรมของเราตรายกบาอย่างให้เขาฟั ง, งนะฮะจริงๆก็มีพิธีกรเป็นใครอยู่ด้วยคนนึง บอกว่ามันเหมือนคุณกินอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันเนีพวกคุณทั้งหมดเลยนั่งกินอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันอร่อยแทนกันได้ไหมอิ่มแทนกันได้ไหมตัดสินใจแทนกินนั้นกินนี้กันได้ไหมผมก็ไม่ต่างคน ต, งต่างตัดสินใจต่างคนต่างตักต่างคนต่างกินต่างคนต่างรู้สึกอร่อยต่างคนต่างก็อิ่ม ก, ก็ไม่เกี่ยวอะไรกันที่ดเด็กินอาหารบ่ตโต๊ะเดียวกันนั่นเอง พระเรเห็นว่าอัปราคิต่สูงมีคนนี้ไม่แพ้นี่คือพระอาหารหันตานั้นหรือพระยาบุคคลนะแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่แพ้แต่ว่าคนระ ด, ดับปุถุชนเนี่ยเก่งเลยฮะอย่าไปเสี่ยงอะไรให้มาโอกาสจะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์นี่ยจะสูงแม้แต่ในใบวงศ์ของพระเราก็เตือนกันเราก็เตือนกันาอายุอนามจะมากอะไรก็ตามต้องระมัระวงัง เ ร, เรื่องสตร่างเรื่องสตรีเรื่องสมณศักดิ์อย่าไปวุ่นวายเสียงทั้ง น, นั้นเลยโอกาสที่จะพลาดเนี่ยมันเกิดได้ง่ายเพราะเราจะเห็นว่าคนเราถ้าหากว่าเข้าใจเขาจะเรื่องก็จะเรื่องวันนี้มันเรื่องอะไร แล้วก็จะเห็นว่าการท่ายแพ้ในสงครามแพ้ต่อใจตัวเองเนี่ยมนุษย์แพ้ทุกวันเราแพ้ทุกวันทุกคนเนี่ยแพ้วันเะีมนุษกี่สิบครั้งทำไมไม่ติตัวเองบ้างอะทำไมไม่เตือนตัวเองบ้างทำไมพอมีพระทำให้ดีขึ้นมาแล้วก็ประจานอย่างเนี้ยอย่างอย่างในกรณีของของของพระธิพัตลุงเนี่ย ที่พระครูกิติวราพรเขาเล่าออกไปทางอะไรช่องเก้าก็ยังไม่โทรศัพท์คุยอะไรกับเขานะฮะที่จริงก็คุ้นกันคือเราก็เห็นมลชกนะุลเนี่ยเพราะว่าเอกสารข้อมูล ด, ด้านนี้เราก็มีรับรู้อะไรมาเยอะเพราะแผนแนวตรงนี้มันมีเยอะมากๆไอเบื้องหลังนี่มันจะเยอะโดยเราไม่รู้ว่าคืออะไร บางที่วัดไปครอบครองที่ดินเอาไว้พัฒนาวัดปลูกต้นไม้รุ่นก่อนๆ ก, ก็ปลูกต้นไม้ใหญ่โตเลยเถ้าคนไปขายแล้วรวยพวกนี้ก็หาทางและเล่นงานสมพานกล่าวหาใส่ไร่ไปสาีจ้างคนมาปลูกกระดมขับไล่เพื่ออะไรเพื่อเอาพวกตัวเองเข้ามาเป็นสมพานแล้วก็ใช้โอกาสนี่ตัดไม้ทําลายป่าตัวนั้นความเร็วลในสมุขมันเยอะมากๆ เรื่นี้เราก็อ่อนในเรื่องนี้คือเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อมาเหยียดย่ำพิกษุซึ่งก็คือคนไทยอะไปสู้กับหน้าของกิเลสแพ้แพ้ก็คัดออกเขาไปได้ว่าอะไรก็เป็นอุปสมบทแต่เราเข้าใจโลกเนี่ยเราจะใช้โอกาสอาศัยความชั่วเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหยุดตัวเองไว้ไม่ทาอย่า ง, งนี้ แล้วก็สงสารคนที่ทำชั่วหรือไม่มีอะไรก็อุเบกขาเสียเวลาเขาทำดีเรากันมูทนาแล้วก็พยายามทาดีอย่างที่เขาทำนี่คือหลักการวิธีการที่ถูกต้องในฐานะของความเป็นพุทธบริษัทแต่เราก็ทำกันไม่ค่อยได้เองก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบด้วยกรรมของตัวเองได้ฟังไหม ยังทำจากมาวิทรายสีปทุมในวันนี้ข อ, อยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้